เห็นจะไม่ขอรับดีเรียนนี้หรอกฉันเพิ่งจะเรียนรู้ชัดเดี๋ยวนี้เองว่าการประจันน้ากับสัตว์ใหญ่ดุร้ายขณะที่มันหมายจะเข้ามาเอาชีวิตเรานั้นมันเป็นอย่างไรยอมรับว่าขณะนั้นกลัวจนตัวสั่นสติสตางไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยทำอะไรลงไปตามสัญชาตญาณบงการอย่างเดียวเท่านั้นแล้วหล่อนก็ยกมือขึ้นรูปคาไหลขวาอันร้าวระบมไปหมดด้วยอานาจแรงสะท้อนถอยหลังของจุด บนอุบอิบอยู่ในรำคอภายหลังจากเรื่องตื่นเต้นผ่านพ้นไปแล้วการสนทนาก็กลับกลายมาเป็นเรื่องขบขันสนุกสนานอีกครั้งเมื่อทั้งสองฝ่ายผลัดกันเล่าถึงเหตุการณ์ในวินาทีฉุกเฉินขีดสุดซึ่งต่างเผชิญกันมาคนละแง่มุมเรื่องของการผจญภัยในป่ามีทั้งความน่ากลัวและขบขันรวมอยู่ในตัวของมันเองเสมอดาลินหัวราะจนน้าตาไหล เมื่อเชฐาเล่าถึงลักษณะของชายยานที่วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตผ่าเข้าไปในดงน้ำแล้วกลับออกมาไม่ได้ส่วนชายยานก็พารนาโดยละเอียดว่าขณะที่กระสู้ตัวนั้นพุ่งเข้าใส่เชฐานั้นเชฐาออกวิ่งกระเจิดกระเจิงโดยไม่รู้ทิศทางอย่างไรบ้างจนกระทั่งถูกขิดเสรยรอยคว้างขึ้นทั้งตัวและพินกลับเกิดก็รู้สึกขบขันตนเองเมื่อดารินผู้เห็นเหตุการณ์อย่างถนัดที่สุดเล่าให้ฟังว่า ทั้งขาวและเกิดอยู่ในอาการโอนลามาเช่นไรตอนที่มหิงสาควบเข้าไล่ทุกคนตระหนักได้ดีว่าชีวิตที่รอดมาได้นั้นตกเป็นหนี้บุญคุณของอนุภาพไรเฟิลขนาดหนักแท้เพราะขณะที่ยิงออกไปถึงแม้จะยังไม่ถูกที่สำคัญพอที่จะหยุดมันได้อย่างเฉียบขาดอำนาจแรงประทะอันมากมายก็ทำให้มันชะงักปัดเปสเสียการทรงตัวไป เปิดโอกาสให้ผู้เคด ร, ร้ายที่กำลังจะถูกมันบทขยี้หลบเอาตัวรอดได้อย่างหวุดหวิดกรณีที่เห็นชัดที่สุดก็คืออำนาจของจุด600ในโตเอ็กซ์เพรสซึ่งชายยันกระหน่ำเขาใส่กระสู้หนังหนาตัวนั้นขณะที่มันกำลังพุ่งเข้าขีดเชษฐาแม้จะถูกตรงตะโพกและบริเวณท้องก็ทำให้มันช็อกล้มหววลงได้ช่วอึดใจใหญ่ช่วยให้เชษฐารอดพ้นวินาทีมรณะไปได้พร้อมกับตั้งตัวทัน ถ้าไม่ได้จุดหกศูนย์ศูนย์ที่ชายันยิงส่งเดชประธาไว้สิก่อนผมก็คงเละไปทั้งตัวแล้วหัวหน้าคณะเดินทางบอกอย่างไม่วายหวาดเสียวหันไปตบไหล่เพื่อนผู้บตดนี้มีปัสเตอร์ติดตามแขนขาและใบหน้าเต็มไปหมดทำให้มองดูแล้วเป็นที่ชวนขบขันยิ่งผู้ที่ไม่ได้รับอันตรายใดเลยแม้แต่รอยขีดข่วนก็มีเพียงสองคนเท่านั้นคือดารินกับแง่ทราย นอกนั้นก็มีรอยขัดย่องและถลอกปอกเปิดกันไปทุกคนชายยันมีบาดแพ้ปุ ป, ปะมากกว่าทุกคนมันเป็นเกมแห่งการเสียงที่คณะนายจ้างทั้งหมดยอมรับว่าสาสมใจยิ่งแง่ท า, ายกับเกิดได้รับคําสั่งให้เดินย้อนกลับไปเอาสัมภาระของทุกคนที่ปลดกองรวมกันไว้ชายดงก่อนที่จะแยกกันย่องตามมหิงษารับเห็นเปิดหนังควายแยากตัวนั้นตรงบริเวณสันหลังออก และเอาเฉพาะเนื้อสันออกมาก่อไฟอย่างชนิดสดสดร้อนร้อนริมลำธารที่นั่งพักกันอยู่เพื่อชดเชยให้แก่พลังงานและความเหนื่อยยากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในการติดตามพิชิตมันมันเป็นเนื้อสดมื้อแรกสำหรับทุกคนภายหลังที่ได้พระแยกจากขบวนเกวียนออกมาดารินคนเดียวเท่านั้นที่กินไม่ลงหล่อนได้แต่นั่งมองเฉยเฉยและปฏิเสธเด็ดขาด ไม่ว่าชายยันหรือพี่ชายจะชวนขยันขยอมาเช่นไรเห็นตัวของมันนึกถึงภาพเมื่อตะกี้แล้วขยอกไม่ลงใครจะกินก็กินเถอะไม่ต้องเป็นห่วงชันหรอกหล่อนว่าแล้วหล่อนก็รอคอยอาหารกระป๋องซึ่งเกิดกับแง่ายกำลังเดินทางไปขนมาประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งสองก็หอบเอาสัมภาระราติดตัวของทุกคนที่ถอดทิ้งไว้กลับมาถึงและร่วมวงสมทบกินเนื้อย่างอย่าง อ, าอร่อยอร่อย สำเร็จไปอีกหนึ่งละทีนี้ก็ถึงคราวไอ้แหว่งจอมนักเลงโตเสียทีช ย, ยันพูดแววตาของอดีตนายทหารปืนใหญ่สุขสายร่าเริงอยู่เหมือนเดิมมันสอดถึงความบึกบืนทรารหณแบบนักเผชิญภัยแท้จริงการเสี่ยงแบบท้ามฤตยูเป็นความสนุกสนานบันเทิงสำหรับเขาทั้งทั้งที่ทดูผาดผ่าดในครั้งแรกว่าเขาจะเป็นคนสารวยและออกจะขาดขาดอยู่บ้าง ธาแท้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคนมันมักจะมาสำแดงตนเด่นชัดในขณะที่ร่วมชีวิตกันอยู่กลางป่าเช่นนี้เองระพีนซ่อนยิ้มชำเลืองดูชายยันอย่างพอใจรู้สึกว่าคุณชายยันจะเจ็บมากกว่าพวกเราทุกคนนะครับแผลเต็มตัวทีเดียวระยะวันสองวันนี้จะตามไม่แหวงไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบเขาพูดเบาๆอย่างเป็นห่วงเจ้าตัวคนมีปัสเตอร์ติดเต็มหัวเราะลั่น เฮอยเรื่องเล็กกระพินผมเพียงจะถูกนามเกี่ยวเท่านั้นไม่มีอะไรสาหัสสากัรนักหรอกให้น้อยฉีดยากันบาดทะยักกินยาแก้อักเสบได้นอนเต็มอิ่มสักคืนเดียวถึงไหนก็ถึงกันผมเป็นห่วงเชืฐามากกว่าเห็นถูกมันเสยงัดลอยขึ้นทั้งตัวแผลข้างนอกไม่มีข้างในอาจช้ำขึ้นมามากก็ได้แล้วก็หันไปทางสหายถามว่าเป็นยังไงบ้างเชื้อทาพูดของชัยยัน ทำให้ทุกคนเบนสายตาไปยังหัวหน้าคณะเดินทางเป็นตาเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องสาวคนสวยสีหน้าของหล่อนแสดงอาการวิตกลุกขึ้นเดินมานั่งใกล้ๆพี่ชายและขอตรวจ ด, ดูรอยถูกขีดทางด้านหลังของเขาพี่ใหญ่รู้สึกยังไงบ้างคะหล่อนถามแผ่วเบาจ้องหน้าพี่ชายเชิดฐายิ้มเรียบๆขณะนี้ยังไม่รู้สึกอะไรมากนักหรอกยอกยอก่อคล้ายๆใครเอาตะพดมานวดหลังขนาดเบาๆเท่านั้น เชื่อว่าคงไม่เป็นอะไรดาลินพิจารณาร่องรอยกลางแผ่นหลังของพี่ชายอย่างตีท่วนมันเป็นรอยเขียวช้ำเล็กน้อยหล่อนทดลองใช้ฝ่ามือกดหนักๆลงไปยังตำแหน่งนั้นและบริเวณหลังทั้งหมดพร้อมกับสอบถามเขาว่ามีความรู้สึกเจ็บหรือไม่แค่ถาสันสีสะสีหน้าอยู่ในอาการปกติธรรมดาหล่อนออกคาสั่งให้เขาลองสูดลมหายใจเข้าออกหนักๆและให้ลองไอแรงๆพี่ชายปฏิบัติตามคาสั่งโดยดี เจ็บบ้างไหมคะปกติธรรมดาแพทยสาวถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเงยหน้าขึ้นพูดกับทุกคนคงไม่เป็นอะไรหรอกแต่จะรู้แน่ชัดก็ในราวพรุ่งนี้พี่ใหญ่ยังไม่ถึงกลับหลังเดาะและตาเกิดยังไม่ถึงกับซี่โคงหักก็นับว่าเป็นบุญที่สุดแล้วหล่อนจัดการฉีดยาให้ชายยันและให้ยากินกับพี่ชายจากชุดเครื่องเวชภัณฑ์ขนาดจิ๋วที่ติดย่ามหลังมาด้วย ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกไปจากอกได้ลูกหนึ่งเมื่อกำจัดเจ้ามหิงสาขาเ ก, ก่งซึ่งก่อกวนรังควานและทำหน้าที่เป็นกองระวังหลังสำหรับโครงไอ้แหวงลงได้สำเร็จเช่ฐามองดูนาฬิกาข้อมือแลแ้วแหงหน้าขึ้นเทียบกับดวงตะวันที่บ่ายคล้อยต่ำไปมากแล้วพรางหันมาขอความเห็นรละพินเสร็จสึกไอ้มหิงสานี่ลงแล้วจะเอายังไงกันต่อไปล่ะขณะนั้น มันเป็นเวลาบ่ายสี่โมงเศษดวงตะวันกําลังแตะขอบลงกับเปลี่ยมผาทางด้านตะวันตกเสียงนกว่าร้องโหยหวนกังวานกล้องมาจากป่าบนพรานใหญ่ใคร่ครวญอยู่เป็นครู่ก็บอกเบาๆว่าถ้าเราออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้เพื่อจะไปสมทบกับขบวนเกวียนจะยังไรเสียก็ไม่ทันแล้วลรอครับเราเดินกันได้อีกไม่เกินสามชั่วโมงก็ขําตอนนี้ขบวนเกวียนของเราอยู่ที่ไหนพอกระถูกไหม พร้อมกับถามเชษฐา ง, งัดเอาแผนที่ซึ่งผานใหญ่ทําไว้ให้ออกมากลางลงตรงหน้ารับพินขมวดคิ้วคำนวณกะวันเวลาอยู่อีกอุดใจใหญ่ก็เอากิ่งไม้เล็กๆที่อยู่ในมือชี้ให้ในจ้างของเขาดูถ้าพวกนั้นไม่ไปโอเออยู่เสียที่ไหนและเดินตามทางแผนเดิมที่กำหนดไว้ให้เราราวค่ำนี้ก็จะถึงทุ่งช้างนี่ครับซึ่งถ้าเราไม่มาเสียเวลาตามไม่หิงสาเสียและออกเดินทางตั้งแต่เมื่อเช้าที่แล้วมา ผมก็กะไว้ว่าจะต้องตามทานพวกนั้นที่ทุ่งช้างในค่ำนี้แหละทีนี้ถ้าเราออกเดินทางจากที่นี่โดยตั้งเข็มทุ่งช้างก็ราวๆเกือบสว่างเขาคืนนี้แปลว่าต้องเดินกลางคืนกันตลอดทั้งคืนโดยไม่หยุดการเดินกลางคืนมันไม่เหมาะนะักเพราะต้องตัดเขาหลายลูกไม่ใช่เดินในป่าปโปรง่งไม่ไหวหรอกเดินกันตลอดทั้งคืนแบบที่ว่านั่นน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทุกคนก็กรับกันหนักกันมาทั้งวันแล้ว ดารินเอ่ยขึ้นลอยลอยพรานใหญ่ไม่แสดงความเห็นเช่นไรเพียงแต่มองดูหน้าเชษฐากับชายยันเหมือนจะขอคําชี้ขาดตามฐานะของลูกจ้างที่ดีถ้าตามขบวนเกวียนของเราไม่ทานก่อนค่าวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะออกเดินชายยันว่าสมมุติว่าเราหยุดพักที่นี่คืนนี้เราจะตามทันเกวียนที่ไหนเมื่อไหร่เชษฐาถาม พรุ่งนี้เย็ยนที่บริเวณป่าหวายครับแต่ต้องรับทางกันหน้าดูทีเดียวเดินบนสันเขาโดยตลอดถ้างั้นคืนนี้หาชัยภูมิเหมา ะ, มาะนอนอาแรงกันไว้สักคืนหนึ่งก่อนเถอะเช้ามืดค่อยเดินต่อถ้าจะตัดสินใจแน่ว่านอนเราก็ควรจะเลือกที่ใกล้ๆกับทาน้ํานี่แหละเหมาะที่สุดไม่ควรจะเดินไปให้ไกลอีกดาลินเสนอเพราะทาน้ำใสแห่งนี้เป็นตําแหน่งที่ถูกใจหล่อนที่สุด อันเนื่องมาจากห่างน้ำไม่ได้ทุกคนก็เหมือนจะเข้าใจความต้องการของหลอนได้ดีและผีนซ่อนยิ้มพยักหน้าก็ได้เหมือนกันครับแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องเดินเลาะทานนี่ขึ้นไปทางเหนืออีกสักกิโลเมตรเศษสสำหรับที่เรานั่งกันอยู่นี่ไม่เหมาะแน่ทำไมหรือหลอนถามอย่างสงสยัยกว่าสายตาไปรอบๆเกิดก็ตอบแทนมาว่าทา น, น้าตรงบริเวณนี้เป็นกึ่งกลางของด่านสาัตว์ครับนายหญิง เหนือดงขึ้นไปโน่นก็มีโปง่งตอนกลางคืนช้างอาจยกโขลงลงมากินน้ำที่นี่ก็ได้นยายหญิงไม่สังเกตรอยหรือครับเป็นเทือกไปหมดเดินขึ้นไปอีกนิดตรงที่ผ่านใหญ่ว่าเป็นที่ที่สบายและปลอดภัยกว่าตะลิงสูงเป็นหน้าผากัน้นและมีเชเวอร์เข้าไปคล้ายถ้ากันน้ำค้างกันลมได้อย่างดีทางตอนนั้นก็กว้างน้าลึกพื้นหาทรายโล่งเห็นอะไรได้ไกลๆดาดินขยับตัวยางอึอดอัด เป่ารมลงไปในอกเสือ้อถ้างั้นก็รีบเคลื่อนย้ายกันไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เถอะบอกตรงๆฉันต้องการอาบน้ํา24ชั่วโมงมาแล้วไม่เจอน้ําเลยเหนียวเนอะน่ะคันยิบไปหมดทั้งตัวตอนที่บุกเข้าไปในป่าน้ำํำมัวแต่ชักช้าไปเดี๋ยวตะ ว, วันตกดินก็หนาวอาบไม่ได้เสียเท่านั้นอดนอนนะ่ะฉันอดได้แต่อดอาบน้ํานี่ไม่ไหวาจริงๆยอมแพ้ไม่มีใครขัดใจรอนระหว่างเตรียมเคลื่อนย้าย เพื่อหาชัยภูมิตั้งแคมป์สำหรับคืนนี้ระพินก็หันไปทางหัวหน้าคณะเดินทางควายกับกระสู้นี่จะจัดการยังไงครับถ้าคิดในแง่ล่าสัตว์แล้วจัดว่ามันเป็นราบใหญ่ที่สุดของการล่าทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรดนอนตัวนั้นเชิดาสั่นศีษะตบไหล่เขาเบาๆถูกแล้วถ้าคิดในแง่ล่าสัตว์แล้วต้องถือว่าเป็นราบใหญ่มากแต่ในขณะนี้เราไม่ได้ล่าสัตว์ในความหมายนั้น เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับมาให้เสียเวลาเลยแล้วพินสิ่งกังวลของเรายังมีอีกมากนะักขืนมัวแต่ห่วงมันอยู่ก็เสียการเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งขณะ น, นี้เราก็อยู่ห่างกับขบวนเกวียนของเรามากกว่าจะเดินทางไปถึงกว่าจะส่งพวกนั้นให้กลับมาขนเนื้อก็เน่าวไอ้ขั้นจะจัดการกันเองก็เกินกําลังของพวกเราทั้งหกคนนี่ไหนจะชําแหละไหนจะยางไหนจะต้องแบกขนกันไปเจ้าสองตัวนั่นรวมกันแล้วก็เท่ากับช้างใหญ่ๆตัวหนึ่งพอดี ทิ้งมันเถอะอย่างดีเราก็จะอาศัยเนื้อควายเป็นอาหารเฉพาะเท่าที่เราพักกันอยู่ที่นี่หรือไม่ก็สัมลองไปเป็นอาหารระหว่างทางนิดหน่อยเท่านั้นถึงอย่างไรผมก็ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่พบเห็นกระสูนในป่าและญิงมันได้ตื่นเต้นไม่น้อยทีเดียวแต่งานสําคัญที่รออยู่ข้างหน้าทําให้สนใจกับมันไม่ได้มากนะักเสียดายนะ่ะต้องเสียดายแน่ๆท้าว่าไม่รู้จะทํำยังไงแล้พีดไม่กล่าวเช่นไรอีก มีแต่กเกิดกับชายยันเท่านั้นที่บนเสียดายกระสู้ตัวนั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าคิดเป็นราคาเงินมันก็ไม่น้อยอยู่สำหรับร่างกายทุกส่วนของมันซึ่งล้วนตีราคาได้ทั้งสิ้นนับตั้งแต่หนังลงไปจนถึงกระดูกแต่ก็ต้องจำน้นด้วยเหตุผลของหัวหน้าคณะเดินทางลพินนําเดินทั้งหมดพระออกเดินจากที่นั่งพักจนอยู่รอดเรียบไปตามแนวชายหาดของลาทาน ซึ่งการระหว่างเขาใหญ่และป่าราบไว้ขึ้นเป็นไปทางต้นน้ำภูมิประเทศทั้งสองฝั่งสวยสดงดงามไปด้วยธรรมชาติด้านหนึ่งเป็นดงดิบอันทึบธรมืนินหนาแน่นไปด้วยไม้ใหญ่ดึกดำบันแต่ละต้นสูงทะยานเยี่ยมเมฆอีกด้านหนึ่งเป็นป่าเตีย้ยประเภทพรวงและกระชิดมีโขดแก่งหินงอกอยู่เป็นฉากชั้นระเกะระกะรูปลักษณะต่างๆทานบางตอนก็มีแนวน้ำไหลกว้าง และบางตอนถูกบีบลงมาเป็นร่องเล็กนิดเดียวซึ่งฤดูนี้น้ำแห้งทิ้งพื้นทําทานส่วนใหญ่ให้เหลือแต่กรวดทรายเป็นหาดโล่งออกไปหน้าฝูงหนึ่งประมาณเจตัวส่งเสียงร้องเอ็ดดำผุดดำว่าอยู่ในตำแหน่งทานน้ำกว้างเบื้องหน้าตอนหนึ่งพอเห็นกลุ่มคนเดินพ้นโค้งตะลิงมาก็พากันวิ่งขึ้นฝั่งหายเข้าไปในซอกโขดหินใหญ่นกกรรุ่มคู่ขันคู่อยู่บนยอดยางสูง สลับไปกับเสียงเจาะโคร่งไม้ถีรัวของนกหัวขวานแดดเหลืองอารามลงเป็นลําดับต่างเดินกันไปโดยไม่เร่งร้อนอะไรนักและอยู่ในอารมณ์ปลอดโปร่งเพราะธรรมชาติอันงามและบรรยากาศที่ระรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารินในตาของรอนเป็นประกายแทบจะลืมความเหน็ดเหนื่อยและเรื่องอันตื่นเต้นแทบถึงเลือดถึงชีวิตหมดสิน้นหล่อนเดินเราะชิดชายน้ําชมนกชมไม้ไปอย่างเพลิดเพลิน ไม่นานนักก็มาถึงตำแหน่งที่ระพินกำหนดไว้มันดูเหมือนจะเป็นบริเวณรื่นรมที่สุดภายใต้ชะงอนเวิงผาซึ่งมีลักษณะเหมือนฝาหอยหรือมิฉะนั้นก็มีใครมาเจาะคว้านไว้พื้นทายบริเวณนั้นละเอียดขาวสะอาดและโล่มเตียนมีก้อนหินน้อยๆงอกขึ้นเป็นหย่อมๆสลับสีสันวิจิตรประหนึ่งใครเอาแก้วต่างๆสีมาแกล้งประดับไว้เวิ้งนั้นใช้แทนผ น, นังหรือกำแพงก้านด้านหลังได้โดยไม่ต้องห่วง ซ้ำยังมีหลังคากันฝนหรือน้ำค้างเป็นอย่างดีคงมีแต่ด้านหน้าเท่านั้นที่เป็นหาดโรงออกไปถึงสายทานและข้ามฟากห่างไปประมาณ30เมตรเป็นป่าสูงเชิงเขาใหญ่สามารถจะสำรวจมองเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีมุมอับพอมองเห็นชัยภูมิอันแสนสบายเช่นนั้นชัยยานก็ผิวป่าหวือออกมาล้มตัวลงนอนหงายแผ่ลา ถ้าจะต้องเป็นพระรามตอนเดินดงกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้ได้ครูหาสวรรค์อย่างนี้เป็นที่ตั้งแคมป์ทุกครั้งไปเถิดจะให้อยู่นานสักขนาดไหนก็ยังไหวเขาร้องออกมาแล้วก็ทำหน้านิ่วคลางอู้เมื่อหัวไหลที่ถูกน้ำเกี่ยวไว้เป็นแผลลึกเอลงไปกระทบกับแง่หินตอนหนึ่งทำให้ทุกคนหัวเราะแล้พินเกิดและแง่าสายช่วยกันดาเนินการตั้งค่ายพักชั่วคราวขึ้นอย่างรวดเร็วอึดใจใหญ่ต่อมา มันก็พร้อมที่จะใช้พมนักนอนสําหรับคืนนี้ได้อย่างสุขโขสสโมสอสรและอบอุ่นปลอดภัยกว่าทุกคืนที่แล้วมาและอันเนื่องจากพื้นเป็นทรายพรานใหญ่สั่งให้ขุดหลุมเป็นรางยาวสําหรับเตรียมก่อไฟหุงหาและย่างเนื้อส่วนไฟผิงและไฟกันสัตว์นั้นเกิดไปรากเอาขอนไม้แห้งขนาดใหญ่มา 3- าสต้นวางกายกันไว้ทางด้านหน้าแทนประตูได้เป็นอย่างดีขณะที่ด้านหลังใช้ผนังหินธรรมชาติช่วยอยู่ด้วย เชื้ฐากําลังค้นย่ามของเขาเพื่อจะรื้อของจำเป็นออกมาหันไปเห็นเกิดเข้ามานั่งยองๆซุบซิบอะไรกับพรานใหญ่ก็ถามมาอะไรหรือผ่านพื้นเมืองหัวเราะแห่ๆระพินตอบว่าเกิดเสียดายกระสู้ตัวนั้นมากครับอยากจะขออนุญาตไปเอานอของมันบอกว่าจะเอาไปฝากเพื่อนกะเลียงที่หมู่บ้านดมช้างราชนิกูลหนุ่มยิ้มอย่างอารมณ์ดีพยักหน้าไปสิอยากเอาไปก็เอาไปเอา แต่หวังว่าคงไม่โลภมากถึงกับแบกกระสู้ตัวนั้นมาทั้งตัวนะแล้วก็รีบกลับมาให้ถึงที่นี่ก่อนข้าเอาแง่ทรายไปเป็นเพื่อนด้วยอย่าไปคนเดียวเกิดกระโดดลุกขึ้นอย่างยินดีหันไปพยักหน้ากับแง่ทรายซึ่งดูเหมือนจะรู้กันอยู่ก่อนแล้วช่วยปืนประจำมือคนละกระบอกตั้งท่าจะพ่าไปชา ย, ยันก็ร้องบอกมาว่าขากลับอย่าลืมแวะไอ้ที่ทรารพีตัวนั้นเอาเนื้อมาเผื่อสําหรับอาหารเย็นและช้าพรุ่งนี้ด้วย เอาแต่เนื้อสันมานะส่วนอื่นอย่าเอามาทั้งสองรับคำชวนกันเดินตัดหายขึ้นป่ากระชิดหายไปดาดินถอดบูทออกแล้วสอดเท้าเปลือยลงไปในไปกรบอยู่ในพื้นทรายเหมือนจะให้ทรายช่วยดูดความชาที่สวมรองเท้าอยู่เป็นเวลานานตั้งคำถามขึ้นลอยๆว่าแรดกับกระสู้นี่มันต่างกันยังไงนะพระรพินทำเป็นเหมือนจะไม่ได้ยิน นั่งจัดการกับเตาย่างเนื้อแบบพิเศษของเขาเฉยเสียพี่ชายจึงทำหน้าที่วิสัชนามาให้แทนมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละผิดกันแต่ว่าถ้ามีนอเดียวเขาเรียกแรดถ้ามีสองนอเรียกกระสู้ที่ยิงได้นี่เป็นกระสู้แปลกน้อยก็เพิ่งจะมาได้ยินคำว่ากระสู้นี่เองออกแปลงหูไปเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนเห็นทีแรกน้อยก็ว่าแรดนั่นแหละ พรานใหญ่เองก็บอกกับน้อยว่ามันเป็นแรดอ้อถือเอาหลักว่าถ้านอเดียวเรียกแรดถ้าสองหนอก็เรียกกระสู้งั้นหรือคะเท่าที่รู้ๆมาก็อย่างนั้นแหละแล้วทําไมในพรานของเราเขาไม่ยากบอกน้อยให้รู้ไว้เลยตอนที่ประจันหน้ากับมันเขาบอกน้อยว่าแรดพิโท้ก็บอกแล้วงไงว่าแรดหรือกระสู้มันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละชายยันร้องมา และพินไม่อยากให้เธอมีข้อสงสัยซักโน้นซัก น, น, กนี่มากเรื่องอยู่น่ะสิถึงเรียกว่าแลดให้เธอเข้าใจได้ง่ายๆเขาบอกเธอว่าแลดน่ะดีแล้วถ้าเขาบอกเธอว่าหมูเธอก็ไม่มีวันรู้บ้าเห็นฉันเป็นเด็กอมมอืองั้นหรือดารินตวาดแวด๊ดค้อนเพื่อนชายประหลับประเหลือชายยันกับเชืถาหวเราะ ก, กึกๆึกอยู่ในราคอนักมนุษยวิทยาผู้ปราดเปรื่องเาว่าเป็นนักสัตววิทยาที่อ่อนหัด ทำปากหมุกหมิดอย่างฉิวเฉีวพอเหลียวมาสบตาพรานใหญ่ที่รอบจำเลียงยิ้มยิ้มมาก็เลยผ่านคอนให้อีกคนพูดมาอย่างพาโรว่าไม่ต้องมาทํายิ้มดีอีกคนนึงหรอกถ้าคุณบอกฉันในขณะนั้นว่ามันเป็นหมูรับรองว่าขณะที่ยืนประจันหน้ากับมันอยู่ในตอนนั้นฉันเป็นผักคุณเข้าไปหามันแน่ๆตอนนั้นฉันยืนอยู่ข้างหลังคุณด้วยโอกาสดีที่สุดพรานใหญ่ครางอ่อยๆ แล้วก็อธิบายเรีย บ, ยบในขณะที่มื อ, อยังทํางานอยู่ว่าคําว่ากระสู้เป็นภาษากะเหลี่ยงครับเรายืมมาใช้เดียกแรกที่มีสองนอตามที่คุณชายบอกเมื่อกีนนี้และถ้าจะว่ากันตามจริงแล้วแรดกับกระสู้แม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็จริงแต่ถ้าจะพิจารณากันให้ถี่ถ้วนตามหลักของสัตววิทยาแล้วมันมีอะไรผิดกันอยู่บ้างเหมือนกันไม่ใช่ผิดกันที่นอเดียวหรือสองนอเท่านั้นผิดกันยังไงอาจารย์ ชายยันยันตัวขึ้นนั่งร้องถามมาอย่างอารมณ์สนุกตามปกติแรดมีขนาดใหญ่กว่ากระสู้ครับแล้วหนังก็หนากว่าด้วยส่วนขนตามตัวกลับมีน้อยกว่ารอยเท้าคล้ายๆรอยช้างรุ่นมีเล็บเพียงเท้าละสามเล็บฟันหน้าที่กรามล่างมีอยู่สองคู่ส่วนกระสู้หนังเรียบกว่าแรดไม่กรุขะนะักมีรอยพับตรงช่วงไหลเพียงพับเดียว ขนยาวฟันหน้าข้างล่างมีอยู่คู่เดียวและหนอมักจะยาวกว่าแรดทั้งแรดและกระสู้เป็นสัตว์หายากมากในป่าเมืองเราสําหรับชีวิตพรานของผมเท่าที่พบเห็นมันมาก็ไม่เกินสิบตัวมันเป็นสัตว์ประเภทที่พรานกรุงทั้งหลายเขาเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่อันที่จริงมันก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างในป่าสูงที่คนส่วนมากเข้าไปไม่ถึงมันมีค่าสําหรับพรานเสียยิ่งกว่าช้างงามเสียอีก พอมีข่าวมันมาป้วนเปี้ยนอยู่ในแถบไหนพวกพรานก็ออกตามกันเป็นเดือนเป็นปีทีเดียวถือว่าเป็นสัตว์มีราคาที่สุดสำหรับการล่าเมื่องวดที่แล้วก่อนจะเข้าป่ามานี่ผมก็โชคดีดักมาได้ตัวหนึ่งใหญ่พอๆกับตัวนี้แหละแต่เป็นชนิดหนอเดียวคุณอําพลให้ผมสามหมื่นแต่มันไม่คุ้มกันเลยกับการเสียเวลาติดตามมันเป็นเวลาถึงสามเดือนเศษและยังเสียพรานมือดีไปอีกทั้งคนกว่าจะได้ตัวมัน เป็นความจริงเหรอที่เขาว่าตลอดทั้งตัวของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอแรดเป็นตัวยาชั้นพิเศษที่วงการผลิตยาแผนโบราณต้องการกันเสียยิ่งกว่าอะไรเชฐาถามแลบพินหัวเราะเป็นความจริงในข้อที่ว่าพวกยาแผนโบราณทั้งยาไทายยาจีนต้องการมันอย่างยิ่งทีเดียวครับและให้ราคาสูงราวกับทองแต่ว่ามันจะมีคุณสมบัติอันพิเศษในด้านการรักษาโรคได้สักขนาดไหนนั้น ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องนี้ที่จะต้องขอความเห็นจากแพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณดารินซึ่งคงจะอธิบายได้ดีกว่าผมแน่ๆคนที่ถูกเอ่ยนามทำจมูกย่อนเบ้ปากเรื่องเหลวไหลเรื่องเชื่อถือกันสืบต่อมาเรื่อยๆต่หากหรือไม่ก็เป็นการเอาเคล็ดอะไรกันสักอย่างหนึ่งมากกว่าฉันมองไม่เห็นว่าส่วนต่างๆของแร่จะมีสภาพเป็นตัวยาอันวิเศษอะไรขึ้นมาเลยลองแยกธาตุเอามาวิจัยดูก็ได้ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทฤษฎีของวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่อาจสู้สมัยเก่าไม่ได้ก็ได้ตั้งแต่เข้ามาระเจิญพบเห็นอะไรพี่ลึกพี่ึกในป่านี่ฉันก็ไม่กล้าที่จะยืนยันอะไรตามทฤษฎีเดิมที่ฉันเรียนรู้มาเหมือนกันแต่ฉันเชื่อฮะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยชายันแย้งมาอย่างขึงขังพวกยาสมัยใหม่ทุกวันนี้ส่วนมากก็สกัดได้มาจากพืชหรือที่เราเรียกกันว่าสมุนไพรนั่นเอง เมื่อตัวยาเราสามารถได้มาจากพืชทำไมเราถึงจะได้มาจากสัตว์บ้างไม่ได้ไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกขนาดเลือดข้างยังเป็นยาแก้เมื่อยแก้อ่อนเพลียดได้เลยจะว่ายาแผนโบราณเขาเหลวไหลนักก็ไม่ได้มันจะต้องมีส่วนจริงอยู่บ้างไม่พวกร้านขายยาจะต้องการไปทำไมก็น่าคิดตามที่แกว่านี่เหมือนกันเชษฐาคล้อยตามเปลี่ยนสายตามาธีรพิน เวลาล่าสัตว์ได้หมายถึงการยิงตายนะ่ะพวกพรานเขาจัดการยังไงกับมันถึงจะกลายเป็นสินค้าไปส่งขายได้แล่เนื้อออกหมดคัดเอาเฉพาะกระดูกนอและเลือดของมันไปขายอย่างงั้นหรือเปล่าครับเขาเอาทุกส่วนของมันโดยไม่ยอมให้เสียเปล่าไปเลยคือในทันทีที่ยิงมันล้มลงขั้นแรกที่สุดถ้าสามารถจะเอาเลือดสดสดของมันได้เขาก็พยายามเก็บเลือดสดเหล่านั้นลงภาชนะไว้ก่อนให้มากที่สุด ขนาดที่เลือดกองอยู่กับดินยังขุดดินเก็บมาทั้งกระบิ้เลยต่อจากนั้นก็จะใช้วิธีตัดแบ่งแยกร่างกายของมันออกเป็นส่วนๆหรือท่อนๆโดยให้ติดทั้งเนื้อหนังและกระดูกไม่มีการแยกออกจากกันเลยจัดการย่างไฟรมควันไว้เป็นการย่างให้เกรียมเฉพาะผิวนอกเพื่อเก็บรักษาเนื้อข้างในไว้ไม่ให้เน่าชั่วคราวแบบเดียวกับที่เราย่างเนื้อในป่าเพื่อเก็บไว้เป็นสเสบียงสดนั่นเองหลังจากนั้นจึงนําไปส่งให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งทางผู้ซื้อก็ไปจัดการเอาเองว่าจะทำอย่างไรบ้างเพราะเมื่อฝานผิวนอกที่ย่างรมไว้ออกไปเนื้อและกระดูกข้างในก็ยังพอจะสดอยู่บ้างบางทีก็ยังพอมีเลือดติดอยู่ด้วยและผ่านใหญ่ก็หัวเราะออกมาเบาๆถ้าไม่กังวลว่าเราจะต้องติดตามไ่แหวงและหลังที่ถึงหล่มช้างแล้วเรายังต้องออกเดินทางไปอย่างไม่มีกำหนดผมก็อยากจะขออนุญาตคุณชายจัดการกับกระสู้ตัวนี้อย่างว่านั่นแหละครับ เพราะมันหมายถึงเงินชัดๆที่ทิ้งกองอยู่นั่นแต่ในภาวะอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากทําให้เกิดภาระเสียเปล่าๆคณะนายจ้างทั้งสามมองดูหน้ากันเองสนใจกับการบอกเล่าของเขาอย่างยิ่งลองตีราคามาสิกะสู้ตัวเมื่อกี้นี้เราจะขายได้สักเท่าไหร่ถ้าแยกชิ้นส่วนจัดการมันได้อย่างว่านั่นจอมพรานคงหัวเราะเรื่อยๆอยู่เช่นนั้น อย่างชั่วที่สุดก็เห็นจะไม่ต่ำกว่าหมื่นบาทครับซามทิงหม่อมราชวงศ์หญิงดารินอุทานออกมาลืมตาโตไม่น่าร่าตาเกิดถึงได้เป็นห่วงพวักพวงนะับนี่มันในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายเห็นจะไม่มีอะไรมีราคาขายดีเกินไปกว่าแรดกำลังก็ขุมทองเคลื่อนที่ของพวกพรานป่าอย่างที่ผมบอกแล้วนั่นแหละครับถ้าพบรอยเขาก็ยอมลงทุนทุ่มชีวิตตามกันเป็นปีเลย หมายถึงพวกพรานพื้นเมืองถ้างน้นมีทางที่จะจัดการกับมันให้ได้โดยไม่เสียเวลาการเดินทางของเราพรุ่งนี้ัหยล่ะเชษฐาพูดมาอย่างใจดีคืนนี้จัดการแบ่งส่วนมันออกอย่างลมควันทิ้งไว้สีก่อนกันเน่าพอเราไปพบขบวนเกวียนแล้วค่อยให้พวกลูกหาบย้อนกลับมาขนไปผมก็ไม่อยากทิ้งให้มันเสียเปล่าเหมือนกันยิ่งมารู้ว่ามันมีค่าสาหรับพวกพลานป่าทั้งหลาย อย่างน้อยที่สุดเราเอาไปเป็นของกำนันพวกกระเหลี่ยงที่หมู่บ้านหล่มช้างก็ยังดีเพราะเราต้องพึ่งพาพวกเขาในการฝากของไว้ก่อนออกเดินทางแล้วแบ่งสรรปันส่วนเป็นรางวัลให้พวกลูกหาบของเราบ้างระผินยกมือรูปบิมฟีปากคิปอย่างรังเลชายยานช่วยสนับสนุนมาอีกคนเขาบอกอ้อมแอมไม่เต็มเสียงว่าผมกลัวว่าจะไม่ไหวนะสิครับตัวมันออกเบ้อเล่เบล่าเป็นงานใหญ่ไม่ใช่น้อยทีเดียว กำลังงานก็มีการเพียงแค่สามคนเท่านั้นคือผมเกิดแล้วก็แงซายที่จะระดมแรงช่วยกันได้ปัญหาหนักอีกอย่างก็คือเครื่องมือเราไม่ครบลำพังมีดเดินป่าติดตัวกันอยู่นาะเห็นจะไม่ไหวหรอกครับมันต้องมีเลื่อยแล้วก็ขวานถึงจะจัดการกับหนังหนาและกระดูกใหญ่ๆของมันได้เครื่องมือเหล่านี้เราไม่ได้ติดตัวกันมาด้วยเอาหนะ้าทาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็แล้วกันดีกว่าจะทิ้งเสียเปล่า ผมอาสาเป็นลูกมือคุณด้วยอีกแรงหนึ่งชายหยันบอกมาแข็งขันผมด้วยเราช่วยกันทำทั้งหมดนี่แหละหัวหน้าคณะเดินทางบอกมาอีกคนหนึ่งยังเอาไหนเอากันแต่ดาลินขัดพร่องขึ้นหน้าตาเฉยแต่รายการนี้ฉันขอออกตัวก่อนสนับสนุนโดยการนั่งดูเฉยเฉยอีกสามชายหัวเราะภายหลังจากช่างใจอีกครู่ผ่านใหญ่ก็บอกว่า ถ้างั้นประเดี๋ยวผมลองหาลือเกิดกับแง่ทรายดูก่อนนะครับหญิงสาวลุกขึ้นสลัดผมที่ม้วนพับไว้สยายเต็มบ่าแล้วก็พูดขึ้นลอยๆฉันจะอาบน้ำละในระหว่างสุภาพบุรุษทั้งสามคนนี่นะ่ะใครจะเป็นผู้เสียสละถือปืนคุ้มกันให้ฉันบ้างรับรองว่าเดี๋ยวเดียวเท่านั้นรพินใจหายว่าบแต่แล้วก็รอบถอนใจออกมาอย่างโล่งอก เมื่อพี่ชายของหล่อนเองคว้าปืนลุกขึ้นอย่างแช่มช้าพยักหน้ากับน้องสาวไปคราวนี้เป็นเวรของพี่เองคราวหน้าก็ถึงตาชา ย, ยันบ้างหล่อนหัวเราะสดใสชะโงกหน้าเข้ามาจูบเบาๆที่แก้มของพี่ชายแล้วลือย่ามติดตัวค้นหาเสื้อผ้าชุดที่พลัดใหม่พร้อมทั้งสบู่และผ้าเช็ดตัวปากํำเพลงเบาๆอย่างสบายใจเสียงชา ย, ยันบ่นมาเบา แล้วก็ไม่รู้จักเอาแฟนมาด้วยจะได้คอยนั่งเฝ้าเวลาแม่เจ้าบุคุณอาบน้าทุกครั้งไปโดยไม่ต้องให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถึงว่าสิแพทย์สาวคนสวยพูดเรียบเรียบรู้งี้เอามาด้วยก็ดีจะได้ไม่ต้องมานั่งเงาะนอกจากพี่ชายของฉันเองแล้วแต่ละคนใจดำเอามาหิดหเกินพึ่งพาสายไม่ได้เลยชัยยันหัวเราะแต่ละพินสะดุง้ง แล้วหล่อนก็เดินตรงไปยังโขดหินงอกลางน้ำตอนหนึ่งอันเป็นที่รับตาโดยมีพี่ชายเดินสู่บุหรี่ถือปืนไปคอยเป็นเพื่อนนั่งคุ้มกันอยู่ด้วยพรานใหญ่เอ็นตัวรงนอนอย่างอ่อนเรียชายยานลินบรนดีรงถ้วยพระสติกส่งมาให้เขาทั้งสองสนทนากันเบาๆเราควรจะรักและแต่งงานกันแต่เราก็รักกันไม่ได้อดีตนายทหารปืนใหญ่ นักผจนภัยเอ่ยถึงเพื่อนสาวของเขาขึ้นเองโดยที่ระพินไม่ได้กล่าวพาดพิงใดๆไปถึงก่อนเลยพลานใหญ่เป่าควันบุหรี่ลอยคว้างขึ้นไปบนอากาศตาจับอยู่ที่กลุ่มควันนั้นอย่างป่าจากความหมายถามเหมือนกระซิบทำไมละครับอีกฝ่ายหนึ่งยากไรเราสนิทกันมากเกินไปเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆความจริงผมรักเขามากที่สุด แต่เป็นความรักชนิดเดียวกับที่เชษฐาและอนุชามีต่อเขาเขาเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันเราสี่คนเชษฐาอนุชาผมและดารินเคยถูกพี่เลี้ยงคนเดียวกันจับอาบน้ำพร้อมๆกัน